แนะนำบทอัตตารบีบทอัตตารีมเป็นบทบดณนิะมีสิบสององค์การบทได้เริ่มกลา่าวถึงการที่ท่านรอสูลสัลลัลลอฮุอะลัย ว, วะสัลลัมห้ามตัวท่านไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับทาสของท่านคือมาริยาอัลกิบดิยาซึ่งเป็นชาวคอฟมาจากอียิปต์และห้ามตัวท่านไม่ให้มีความสัมพันธ์กับนางเพื่อเอาใจภริยาบางตนของท่าน การตำหนกของอัลลอฮ์ที่มีต่อท่านในเรื่องนี้นั้นเป็นไปอย่างนุ่งนวนและอ่อนโยนแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของอัลลอฮ์ต่อบ่าวของโพรงและรลอดสูญของโพรงคือมัวหมัดสันหลลรออะไรวะสลามว่าอย่าทําตัวของท่านให้แคบลงในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ความกว้างแก่ท่านบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องที่น่าเป็นอันตรายคือเรื่องการเปิดเผยความลับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา อันเป็นการคุกคามการดํารงชีพของสามีพันยาโดยได้ยกอุทาหอณ์ในเรื่องนี้ขณะที่ท่านได้บอกความลับแก่ฮับซอและขอให้นางปกปิดไว้เป็นความลับแต่นางได้เปิดเผยความลับนี้แก่อิชะจนกระทั่งเรื่องได้แพร่อ อ, อกไปทําให้ท่านรอซูลโกรธเคืองยิ่งนักจนกระทั่งท่านตั้งใจที่จะหย่าภริยาของท่านบทนี้ได้กล่าวตำหนิบรรดาภริยาของนบีสุลต์ลลอฮ์เวาะซัลลัม เมื่อได้เกิดเรื่องการแข่งขันระหว่างพวกนางการดิสยาซึ่งกันและกันด้วยเรื่องเล็กน้อยถึงกับขู่สำทับพวกนางว่าอัลลอฮฺจะทรงเปลี่ยนภริยาที่ดีกว่าพวกนางให้แก่ท่านรอซูลฺสัลลัลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมทั้งนี้เป็นการสนับสนุนแก่ท่านรอซูลฺสัลลัลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมบทนี้ได้จบลงด้วยการยกอุทาหรณ์สองเรื่องคือเรื่องของภริยาผู้ปฏิเสธที่อยู่ในความคุ้มครองของคนดีมีคุณธรรม และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพริยาที่อยู่ในความคุ้มครองของผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นการเตือนแก่คนทั้งหลายว่าปรโลกนั้นไม่มีผู้ใดจะช่วยเหลือผู้ใดได้เลยบรรพบุรุษและวงตระกูลนั้นก็จะไม่อาํานวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใดเลยเมื่อผลงานของมนุษย์ไม่ดีเป็นการจบบทอย่างน่าประทับใจสอดคล้องกับบรรยากาศและเป้าหมายของบทในการปูพื้นฐานแห่งความบีงงามและการศรัทธา ด้วยพระนามของ a ลล a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาอเยฮ์นนบีลิมาถูฮารดิมมาอะฮัลลอฮุลักทับตะฮีมะฎะท์อซวะจิกวะลลาฮุัฟุลราะฮิมโอ้นบีเอ๋ยทำไมเจ้าจึงห้ามสิ่งที่ a l ล a h ได้ทรงอนุมัติให้แก่เจ้า เพื่อแสวงหาความพึงพอใจของบรรดาภริยาของเจ้าเราแล้วา้อนนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอความจริงอัลลอฮ์ได้ทรงกาหนดแก่พวกเจ้าแล้วในการแก้คำสาบานของพวกเจ้าแล้วา้อนนั้นเป็นผู้ทรงคุ้มครองพวกเจ้า وَإِذْ أ َ ص َْ ر َ ا ل ن َّ ب ِ ي إ ِ ل ى ب َ ع ض أ َ ز و ا ج ِ ه ِ ح د ي ث ا فَلَمَّا ن َ ب أ ت بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ع ًَْ ا فَبَعْضُهُ و َ أ َ ع ْ ر َ ض ن ب ع ض ً ا แ ล, ละจงรำ ล, ลึกถึงขณะที่ท่านนาบีได้บอกความลับเรื่องหนึ่งแก่ภริยาบางคนของเขาท่านเมื่อนานได้บอกเล่าเรื่องนี้แก่คนอื่นแล้วล้อได้ทรงแจ้งเรื่องนี้แก่เขาท่านนาบีเขาก็ได้แจ้งบางส่วนของเรื่องนี้และได้แจ้งอีกบางส่วน ท่านเมื่อเขาท่านอบีได้แจ้งเรื่องนี้แก่นาง น, นางได้กล่าวว่าใครบอกเล่าเรื่องนี้แก่ท่านเขาท่านอบีกล่าวว่าพระผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงตระหนักยิง่จ ง, จงทรงแจ้งแก่ฉัน วับนหากเจ้าทั้งสองกลับเนื้อกลับตัวพร้อมพยายามทั่วต่อรอก็จะเป็นการดีบกับเจ้าทั้งสองเพราะแน่นอนหัวใจของเจ้าทั้งสองก็อ่อนโยนอยู่แล้วแต่หากเจ้าทั้งสองร่วมกันต่อหน้านเขาท่านอบีแท้จริงคือผู้ทรงคุ้มครองของเขาอีกทั้งยิบรออีนและบรรดาผู้ศรัทธาที่ดีๆและนอกจากนั้นมาลิกะ ก็ยังเป็นผู้ช่วยเหลื อ, อ ส, นสนับสนุนเขา อ, อีกด้วยอออออออาสสรรุุุุุิิิิิินนนนนลลลลกคคคยยยดมมมมมมูจจวว หากพวกเขาอย่าพวกนางบางทีพระผู้บานของเขาก็จะทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงให้แก่เขามีภรรยาที่ดีกว่าพวกนางเป็นหญิงที่นอบน้อมถ่อมตนเป็นหญิงผู้ศรัทธาเป็นหญิงผู้พักดีเป็นหญิงผู้กลับเนื้อกับตัวเป็นหญิงที่มั่นต่อการเคารพพักดีต่อหรอเป็นหญิงที่มั่นต่อการถือศีลอด เป็นหญิงที่เป็นไม้และที่เป็นหญิงสาว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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح ا عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنوار ย่อ ل ละยุ خذ ا ل ل ه ه م ن ب ي و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا م ع ه ن و ر ه م ي س ع ب ي ن أ ي د ي ه م و ب أ ي م ا ن ه م ي ق و ل و ن ر ب أ ن ا أ ت م <ص> لنانورناواغفر لناإنكعلى كل <ق> شيء قدير พวกผู้สรทาทั้งหลายจงกลับตัวต่ออัลลอฮ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 จงต่อสู้กับพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมูนาฟิกีนและจงแข็งแกร้ากับพวกเขาเพราะที่รม น, นักของพวกเขาคือนรกซึ่งมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง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 แล้วเราส่งยกบูทานหอนกับบรรดาผู้ศรัทธาถึงภรรยาของฟิร์เอลเมื่อนางได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพ ร, ระองค์ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ฉันณที่พระองค์ท่านในสวนสวรรค์และทรงโปรโดช่วยฉันให้พ้นจากฟิร์เอลและการการะทําของเขาและทรงโปรโดช่วยฉันให้พ้นจากกลุ่มชน ของผู้และมารายาบุตรีของอิมรอนผู้ซึ่งรักษาพรหมจรรีของนาแล้วเราได้เป่าวิญญาณจากเราเข้าไปในานา